บทที่หการสะกดจิตขั้นสูงข้อความที่กล่าวมาแล้วในบทต้นเป็นเรื่องสะกดจิตธรรมดาเรื่องของการสะกดจิตยังมีอยู่อีกซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องสะกดขั้นสูงขึ้นไปอาจจะมีทั้งทางดีและทางร้ายและผู้เขียนตำราเรื่องสะกดจิตก็กล่าวสอดคล้องต้องกันว่าเรื่องสะกดจิตที่อยู่ในขั้นสูงนี้มีเรื่องน่ารู้น่าเรียนอยู่เป็นอันมากการสะกดจิตที่ให้ผลภายหลัง เป็นการยากที่จะหาถ้อยคำให้กระทัด ร, รัดดีกว่านี้คำฝรั่งใช้ว่า posthypnotic หมายความว่าการสะกดจิตให้ไปทำอะไรภายหลังเวลาที่สะกดจิตนั้นแต่ในเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่สั่งให้ไปทำอะไรโดยไม่สะกดเสียก่อนความจริงต้องสะกดก่อนแล้วจึงสั่งแล้วค่อยคลายสะกดออกเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งผลของการสะกดก็กลับมีขึ้นใหม่ตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ให้ไว้ข้างต้น คือเรื่องหญิงสองคนคนหนึ่งเป็นโรคนอนไม่หลับเพื่อนพามาหานายอิริก ค, คุดดอนผู้แต่งตำราที่นำมาเขียนนี้นายอิริก ค, คุดดอนได้พยายามสะกดคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับแต่ไม่เป็นผลสำเร็จผลกลับไปเกิดแก่ผู้ที่พามาดังที่เล่ามาข้างต้นนั้นในเรื่องนั้นไม่ใช่การสะกดชนิดที่เรียกว่าโพสฮิปน o ตอิดหรือการสะกดจิตที่ให้ผลภายหลัง ความจริงสตรีผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะสะกดได้นายเอริกคุดดอนจึงเลิกความคิดในเรื่องสะกดได้ทำให้แต่การจูงจิตคือบอกว่าในเวลาเท่านั้นเท่านี้จะต้องนอนหลับการจุงจิตกลับไปปรากฏผลแก่คนที่พามาเรื่องนั้นเป็นเพียงเรื่องการจุงจิตเท่านั้นส่วนเรื่องสะกดจิตให้ผลภายหลังหรือที่เรียกว่าโพสฮิปนตอินั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากเรื่องสะกดจิตที่ให้ผลภายหลังนี้ ต้องทำเป็นสองขั้นขั้นแรกคือสกดก่อนแล้วสั่งว่าในเวลาเท่านั้นเท่านี้ผู้ถูกสะกดจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นพอถึงเวลาที่กำหนดไว้ผู้ถูกสะกดนั้นก็กลับถูกสะกดใหม่โดยไม่จำเป็นที่ผู้สะกดจะต้องตามไปสะกดอาจจะอยู่ห่างกันสักเท่าใดก็ได้จะถูกสกดขึ้นมาเฉยๆแล้วก็จะทำจะเห็นเพียงเท่าที่ได้รับคำสั่งเสร็จแล้วฤทธิ์สกดก็จะหมดไป ผู้ถูกสะกดก็จะตื่นขึ้นเป็นการคลายการสะกดในตัวเองผู้แต่งตำราที่นำมาเขียนนี้รวมทั้งเพื่อนร่วมงานของเขาในสมาคมค้นคว้าวิชาลึกลับได้ทําการทดลองหลายอย่างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างส่วนที่ไม่ได้ผลก็ยังเป็นเรื่องให้ความรู้พิเศษบางประการดังจะได้นำมาเล่าไว้ต่อไปนี้สตรีผู้ถูกสะกดคนหนึ่งเมื่อถูกสะกดแล้วก็ได้รับคาสั่งว่า ค่ำวันนี้เวลา19นาฬิกาเขาจะต้องหยุดพูดไป10นาทีเมื่อให้คำสั่งอย่างนี้แล้วก็คลายสะกดและปล่อยให้กลับบ้านมีคนตามไปดูที่บ้านในวันนั้นมีเพื่อนหลายคนมานั่งสนทนากับผู้ถูกสะกดคนนั้นตั้งแต่ก่อนเวลา19นาฬิกาก่อนถึงเวลา19นาฬิกาผู้ถูกสะกดก็พูดจากับคนทั้งหลายอยู่เป็นปกติแต่พอถึงเวลา19นาฬิกาตรงริสะกดก็เริ่มขึ้น ทุกคนได้เห็นสตรีผู้นั้นหลับอย่างคนถูกสะกดแล้วก็นิ่งไม่พูดกับใครเลยเป็นเวลาส0บนาทีพ้นสิบนาทีไปแล้วก็ตื่นและสนทนากับเพื่อนทั้งหลายได้ต่อไปผู้เขียนตำรานี้กล่าวว่าเป็นเรื่องแรกที่แสดงให้เห็นความสำเร็จในการสะกดจิตที่ได้ผลภายหลัง เรื่องที่สองที่ทดลองกันคือเอาคนอีกคนหนึ่งมาสะกดในเวลาบ่ายและบอกว่าคืนนี้เวลายี่สิบนาิกาสามสิบนาทีจะมีแมวตัวหนึ่งพลัดเข้ามาในบ้านของเขาแมวตัวนั้นจะเข้ามาในห้องรับแขกขณะที่เขานั่งสนทนาอยู่กับคนอื่นแมวจะเข้ามานั่งที่หน้าเตาไฟให้เขาไล่แมวนั้นออกไปเสียเมื่อสั่งอย่างนี้แล้วก็คลายสะกดปล่อยให้กลับบ้านและส่งคนตามไปดูอย่างเดียวกับเรื่องก่อน บุคคลผู้นั้นนั่งพูดอยู่กับคนอื่นๆอย่างปกติพอเวลา20นาฬกา30นาทีก็ลุกขึ้นเออะบอกว่าแมวมาจากไหนเขาทำท่าไล่แมวนั้นถึงกลับไปเปิดประตูให้แมวออกไปซึ่งความจริงไม่ได้มีแมวอะไรเลยเรื่องที่สใช้วิธีทดลองอย่างเดียวกันคือรู้กันว่าคืนนี้ผู้ถูกสะกด จะมีการเลี้ยงแขกที่บ้านหลายคนผู้เขียนตำราที่นำมากล่าวนี้ได้สะกดบุคคลผู้นั้นในตอนกลางวันคืนนี้ท่านจะทำอะไรที่บ้านผู้สะกดถามคืนนี้จะมีการเลี้ยงแขกผู้ถูกสะกดตอบมีแขกหลายคนหรือสี่ห้าคนเป็นญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องบ้างเพื่อนกันบ้างแขกจะอยู่ที่บ้านท่านจนถึงเวลาเท่าไหร่ราวยี่สองนาิกาสาสินาทีหมายความว่า พวกแขกจะพากันลาท่านในเวลาราว22นาฬิกา30นาทีใช่ไหมใช่แต่คืนนี้พวกแขกเหล่านั้นเขาจะลาท่านก่อนเวลานั้นทาไมเขาจะต้องรีบไปธุระกันเขาจะลาไปเวลาเท่าไรราว21นาฬิกา30นาทีเป็นไปไม่ได้เพราะเวลา21นาฬิกา30นาทีเพิ่งจะรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆผู้ถูกสะกดพูดนั่นแหละ แขกทั้งหมดจะลาท่านเวลา 21.30 นาเหตุไรเขาจึงลาในเวลานั้นจะเป็นด้วยเหตุไรก็ตามทีแต่ทุกคนจะลาไปพร้อมกันในเวลา 21.30 นาผู้สะกดกล่าวอย่าลืมเวลา 21.30 นาแขกทุกคนจะลาท่านไปเขาจะพากันไปหมดในเวลา 21.30 นาอย่าลืมเวลา 21.30 นา ครันแล้วผู้สะกดก็คลายสะกดผู้ถูกสะกดนั้นก็กลับบ้านมีกิริยาอาการอย่างปกติเรียบร้อยทุกอย่างเขามีการเลี้ยงแขกในคืนนั้นประกอบด้วยญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงสนทนากันอย่างสนุกสนานออกจากโต๊ะรับประทานอาหารเวลา21นาฬิกานั่งสนทนากันอยู่ในห้องรับแขกพอถึงเวลา21นาิกา30นาทีผู้เป็นเจ้าของบ้านนั้นก็ลุกขึ้นทำท่าเหมือนอย่างว่าแขกทั้งหลายลาไปจากบ้าน ทุกคนได้เฝ้าดูกิริยาอาการอย่างสนใจบอกลากับคนนั้นคนนี้ออกไปเปิดประตูเหมือนว่าส่งให้แขกออกไปปิดประตูแล้วกลับมานั่งอยู่คนเดียวนั่งพักเหมือนอย่างว่าเหน็ดเหนื่อยจากการรับแขกและอีกประเดี๋ยวหนึ่งริบสกดก็หมดและบุคคลผู้นั้นก็กลับมาเป็นปกติข้อความข้างต้นนี้มีผู้ทดลองได้เขียนเป็นรายงานอย่างพิสดารพิมพ์ในเอกสารของสมาคมค้นคว้าวิชาลึกลับ แนะนำมากล่าวไว้อย่างย่อๆในหนังสือของเราซึ่งเป็นการยืนยันว่าการสะกดจิตที่ให้ผลภายหลังนั้นทำได้สำเร็จแน่แต่จะลองเอาผสมกับเรื่องชัยวยอยน์หรือทิพยจักษุนั้นผสมไม่สำเร็จผู้เขียนได้เล่าถึงการทดลองอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ทำต่อหน้านายพลเรือตรีคนหนึ่งซึ่งสนใจเรื่องนี้ได้ผลสำเร็จเพียงครึ่งเดียวคือเพียงที่ว่าการสะกดจิตที่ให้ผลภายหลังนั้นอาจจะทาได้ แต่จะเอาผสมกับเรื่องชายบุญย น, นั้นไม่สําเร็จผู้เขียนเล่าว่าได้สะกดจิตสตรีผู้หนึ่งแล้วบอกว่าคืนนี้เวลา22นาฬิกาจะมีผู้สะกดกับนายพลเรือตรีผู้นั้นได้ไปอยู่กับผู้ถูกสะกดชายคนหนึ่งมาหาชายคนนั้นเป็นผู้ที่รู้จักดีกับสตรีผู้นั้นสั่งเพียงเท่านั้นแล้วก็คลายสะกดเพื่อดูว่าผลของการสะกดจะเกิดขึ้นอย่างไรและได้สั่งให้คนที่บอกแก่ผู้ถูกสะกดว่า จะไปหานั้นให้ไปจริงๆแต่ให้ไปแอบอยู่อีกทางหนึ่งโดยไม่ให้ผู้ถูกสะกดเห็นฤทธิ์สะกดเกิดขึ้นช้าไปหน่อยคือช้าไปถึงเจ็ดนาทีแต่ฤทธิ์สะกดก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่คาดหมายกันคือผู้ถูกสะกดได้มีอาการอย่างถูกสะกดมีใครมาหรือยังผู้ถูกสะกดถามขึ้นเองมีอะไรหรือผู้สะกดย้อนถามฉันไม่ทราบท่านมีความรู้สึกอย่างไรไม่ทราบแน่ท่านหมายความว่าอะไร ในการที่พูดว่าไม่ทราบแน่ผู้ถูกสะกดไม่ตอบว่าอะไรและนิ่งไปนานตั้งสิงนาทีผู้ถูกสะกดจึงได้พูดขึ้นว่าฉันไม่คาดหมายว่าท่านจะมาหาฉันในวันนี้ไม่มีใครบอกฉันว่าท่านจะมาใครมาผู้สะกดถามผู้ถูกสะกดบอกชื่อถูกต้องเขาอยู่ที่ไหนผู้สะกดถามนั่งอยู่ที่นี่อย่างไรล่ะผู้ถูกสะกดตอบพร้อมกับการชี้มือไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งเก้าอี้ตัวนั้นเป็นเก้าอี้เปล่าไม่มีคนนั่ง เขาแต่งตัวอย่างไรผู้สะกดถามผู้ถูกสะกดได้บรรยายการแต่งตัวของผู้ที่มาหานั้นอย่างพิสดารแต่คําบรรยายนั้นผิดหมดมีถูกอยู่อย่างเดียวคือว่าผู้ที่มาหานั้นใส่ถุงเท้าสีเทานอกจากนั้นสีผ้าผูกคอลักษณะของดอลล่าสีเสื้อเชอิ้ตสีรองเท้าเหล่านี้ผิดหมดการทดลองอันนี้ทําให้เชื่อได้อย่างเดียวคือว่าการสะกดจิตนั้นสามารถจะทําให้เกิดผลภายหลังได้ อาจจะปฏิบัติตามคําสั่งที่ได้รับไว้ตั้งแต่การสะกดจิตครั้งก่อนได้แต่ไม่สามารถจะเอาไปผสมกับอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ดีเรื่องสะกดจิตที่ผลภัยหลังไดน้นี้เป็นเรื่องที่กลัวกันมากและเป็นเรื่องที่นักเขียนนักประพันนักแต่งภาพยนต์เอามาผูกเรื่องให้โลดผลนเช่นเช่นว่านักสะกดจิตได้สะกดจิตสตรีผู้หนึ่งที่มีสามีให้ลุกขึ้นเอามีดแทงสามีตายในยามดึกหรือให้ประกอบการร้ายต่างๆ เรื่องที่นักเขียนนักประพันธ์นึกฝันอย่างนี้ก็ไม่ไรเหตุผลเสียทีเดียวเพราะอาจจะทำได้แต่เรื่องจริงไม่เคยมีไม่เคยปรากฏคดีฆาตกรรมหรือเรื่องร้ายอันใดที่บุคคลจะประกอบขึ้นในขณะถูกสะกดจิตอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สะกดจิตทั้งหลายล้วนเป็นนายแพทย์ซึ่งมีคุณงามความดีอยู่ในตัวถึงอย่างไรก็จะไม่ใช้วิชาสะกดจิตให้เกิดผลในทางชั่วร้าย หรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นตามหลักที่รับรองต้องกันทั่วไปว่าถึงแม้ผู้ถูกสะกดจะตกอยู่ใต้อิทธิพลและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สะกดก็ดีการสะกดจิตไม่สามารถจะชักจูงให้ผู้ถูกสะกดกระทาสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอุปนิสัยของผู้นั้นเคยมีการสอบสวนกันว่าริ์สะกดจิตที่ให้ผลภายหลังนี้ สามารถจะเกิดขึ้นได้ในเวลานานสักเท่าใดหมายความว่าคำสั่งที่ให้ไว้ในการสะกดจิตครั้งแรกนั้นจะสั่งในเวลาห่างไกลได้สักเพียงไรเรื่องนี้ก็ได้ทดลองกันมากนักสะกดจิตผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อเบิร์นเฮมได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาซึ่งใช้ชื่อว่าเดลาสเกชชันยืนยันว่าทำได้ในระยะเวลายาวถึงสองเดือน และได้ทดลองกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นทหารได้รับอนุญาตให้ลามาเยี่ยมบ้านเมื่อได้ทำการสะกดแล้วก็ถามว่าท่านจะลาไปอีกเมื่อไหร่อีกสองเดือนจะลาไปอีกผู้ถูกสะกดซึ่งเป็นทหารนั้นตอบดีแล้วถ้าท่านลาได้ครั้งนี้ท่านจะได้รับเครื่องอิสุริยาภรจะไปรับอิสุริยาพรได้ที่ไหนศาสตราจารย์ผู้สะกดได้บอกตาแหน่งแห่งที่ให้ชัดแจ้งรับจากใครทหารผู้ถูกสะกดนั้นถาม รับจากประธานาธิบดีแห่งประเทศฝรั่งเศสจำไว้อีกสองเดือนเวลาท่านลาได้อีกครั้งหนึ่งท่านจะได้รับอิสุริยาภรจากประธานาธิบดีฝรัร่งเศสแล้วผู้สกดก็กล่าวซ้ำตำบลถิ่นที่ที่จะให้บุคคลผู้นั้นไปในอีกสองเดือนข้างหน้าเมื่อเขาได้รับอนุญาตให้ลาพักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลายสกดตำบลถินที่ซึ่งสัตวาจารย์ผู้สกดบอกให้ไปนั้นเป็นบ้านของแพทย์คนหนึ่ง ซึ่งร่วมมือกันค้นคว้ากับศาสตราจารย์ผู้นี้อยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่อยู่ของทหารคนนั้นเองซึ่งทหารคนนั้นอาจจะเดินไปถึงได้แม้ในเวลาที่อยู่ภายใต้ฤิดสกดโดยไม่มีอันตรายอย่างใดสองเดือนภายหลังเมื่อทหารผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลาและกลับมาถึงบ้านฤิดสกด ก, ก็เริ่มให้ผลศาสตราจารย์ผู้สะกดได้คอยควบคุมให้เขาเดินไปถึงบ้านของแพทย์ผู้นั้นโดยปลอดภยัยเขาเข้าไปในบ้านนั้นอย่างถูกต้อง พบคนซึ่งอยู่ที่นั่นและก็ทำท่าเหมือนอย่างการรับอิสีเรียพรเรื่องทดลองในกรณีนี้เป็นอันได้ผลแน่ชัดว่าการสะกดจิตที่ให้ผลภายหลังนั้นสามารถจะทำได้ในเวลานานตั้งสองเดือนการค้นคว้าทดลองได้ทำกันต่อไปเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าในการถูกสะกดนั้นผู้ถูกสะกดยังมีความรู้สึกตัวยอย่างไรอยู่หรือไม่หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าความรู้สึกผิดชอบยังมีอยู่หรือไม่ การทดลองมากมายหลายครั้งเป็นอันพิสูจน์อันแน่ชัดว่าผู้สะกดจะเชี่ยวชาญและสามารถเพียงใดก็ตามทีไม่อาจจะทำให้ผู้ถูกสะกดยอมทำในสิ่งที่เขาเองรู้สึกตัวว่าขัดต่อศีลธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบในใจของเขาผู้เขียนตำรานี้อธิบายว่าดวงจิตนั้นในซึ่งเรียกว่าอินเนอร์ม นั้นยังมีความรู้สึกอยู่ถ้าหากว่าไปจูงจิตให้ทำอะไรในทางที่ผิดศีลธรรมในเรื่องที่ผู้ถูกสะกดไม่ชอบในเรื่องที่ตรงกันข้ามอย่างแท้จริงกับความพึงพอใจของผู้ถูกสะกดแล้วการสะกดนั้นยังไม่สามารถได้ผลเลยเป็นอันขาดครั้งหนึ่งผู้ถูกสะกดมีความลับอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อสะกดแล้วก็ขอให้บอกความลับอ น, นั้นผู้ถูกสะกดไม่ยอมบอก ผู้สะกดรู้ว่าความลับที่ผู้ถูกสะกดมีอยู่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สะกดเลยด้วยซ้าไปแต่เป็นความลับของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านั้นถามก็ยังไม่ยอมบอกผู้ถูกสะกดจิตอีกคนหนึ่งมีสุนัขซึ่งเขารักมากเมื่อถูกสะกดเข้าแล้วผู้สะกดก็บอกว่าสุนัขตัวนี้ร้ายมากไปเที่ยวกัดคนอื่นให้เอามีดไปแทงคอสุนัขของเขาเสียเมื่อสั่งอย่างนี้แล้วผู้สะกดส่งดินสอแท่งหนึ่งให บอกว่านี่คือมีดให้เอาไปแทงคอสุนักตัวนั้นและสุนักตัวนั้นก็อยู่ในห้องนั่นเองผู้ถูกสะกดทำตามในชั้นต้นรับดินสอจากมือผู้สะกดถือดินสอนั้นด้วยท่าทางแข็งแรงเหมือนถือมีดเดินตรงเข้าหาสุนักตัวที่เขารักแต่ไม่ยอมแทงกลับกล่าววาจาว่าผู้สะกดเป็นคนใจร้าย ผู้ถูกสะกดอีกคนหนึ่งเป็นสตรีเมื่อถูกสะกดแล้วผู้สะกดก็สั่งว่าให้สตรีผู้นั้นทำท่าทางเหมือนหญิงฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันมากเข้าแบบอิมเพ s สชันนีชดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสตรีผู้นั้นไม่ยอมทำอย่างเด็ดขาดผู้สะกดเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะเหตุใดเพราะการสะกดแบบอเพรสชันนีชคือทำให้กิริยาท่าทางเหมือนใครคนหนึ่ง เช่นตัวละครที่รู้จักกันทั่วๆไปนั้นสามารถจะทําได้เสมอแต่สตรีผู้นั้นไม่ยอมทำภายหลังที่ได้คลายสะกดออกมาแล้วผู้สะกดก็เล่าให้ฟังสตรีผู้นั้นก็บอกความจริงว่าเขาเกลียดชังคนฝรั่งเศสมากเรื่องนี้ผู้สะกดเองก็ไม่รู้เพิ่งมารู้เข้าภายหลังผลที่ได้อย่างนี้แสดงชัดว่าผู้สะกดไม่สามารถจะบังคับผู้ถูกสะกดให้ทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เขาไม่ชอบผู้ถูกสะกดที่เป็นสตรีสาวใหญ่ทุกคน เมื่อถามถึงอายุก็ไม่ยอมบอกพ่อสตรีสาวใหญ่ของฝรั่งนั้นไม่ชอบที่จะบอกอายุให้แก่ใครผู้แต่งตำราเรื่องที่นำมากล่าวนี้เล่าถึงสตรีคนหนึ่งซึ่งเขาได้สะกดเป็นผลสำเร็จมาเสมอวันหนึ่งเขาได้สะกด ส, กดสตรีผู้นั้นในตอนหัวคำ่ำแล้วก็สั่งว่าพรุ่งนี้เช้าให้โทรศัพท์ไปถึงให้เขาถามวงเล็บเปิดคือตัวผู้สะกดวงเล็บปิด แล้วจะต้องการรับประทานกาแฟหรือไม่สั่งไว้เพียงแค่นี้ก็คลายสะกดสตรีนั้นก็เข้านอนตามปกติผู้สะกดรออยู่ในตอนเช้าไม่ได้รับโทรศัพท์รออยู่จนล่วงเลยเวลาที่ควรจะได้รับก็ไม่เห็นโทรศัพท์มาจึงได้ถามสตรีผู้นั้นในขณะยังตื่นอยู่ก็ตอบว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่าจะให้โทรศัพท์ไปทาไมผู้สะกดได้ลองสะกดใหม่และถามว่าได้ทราบคาสั่งหรือเปล่าว่าให้โทรศัพท์ถามว่า เขารับประทานกาแฟาหรือไม่สตรีผู้นั้นเมื่อถูกสะกดแล้วก็ตอบป้าทราบคำสั่งแล้วครั้นเมื่อถามว่าทำไมจึงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสตรีผู้นั้นก็หัวเราะและบอกว่าผู้สะกดไม่รับประทานกาแฟาเลยเขารู้ดีว่าผู้สะกดไม่รับประทานกาแฟาจึงไม่โทรศัพท์ไปเรื่องเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ดวงจิตภายในยังมีส่วนรักษาความรู้สึกผิดชอบอยู่เป็นอันมากและเนื่องจากที่ทดลองได้ผลนี้จึงทำให้เชื่อแน่ว่าวิชาสะกดจิตไม่สามารถจะใช้ในทางผิดทางร้ายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะกดจิตเพื่อให้ทำฆาตกรรมหรือประทุษร้ายบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดนั้นตำราทั้งหลายยืนยันว่าจะสามารถทาได้แต่เฉพาะเมื่อบุคคลผู้นั้นมีนิสัยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนหรือทาร้ายคนอยู่แล้วแม้ถึงกระนั้น ทางที่จะทำให้เกิดผลมีน้อยเต็มทีเพราะคนที่ถูกสะกดนั้นย่อมจะเป็นคนหลับอาจจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้แต่ก็เป็นคนหลับหากจะลืมตาอยู่ก็จะไม่แลเห็นอะไรได้อย่างคนธรรมดาคนที่ถูกสะกดจิตอาจจะเดินไปได้แต่ก็เดินไปได้อย่างคนที่ไร้สติคนในสภาพเช่นนี้จะทำร้ายใครได้ยากมากเพราะผู้ที่จะถูกทาร้ายย่อมรู้ตัวหรือหาทางป้องกันได้ง่ายกรณีที่อาจจะมีขึ้น ก็เมื่อผู้ถูกสะกดจิตอาจจะฆ่าสามีหรือภริยาซึ่งกำลังนอนอยู่ด้วยกันแต่เราก็ได้เห็นมาแล้วว่าอย่าว่าแต่จะฆ่าสามีภริยาหรือคนที่ตัวรักแม้แต่จะให้ฆ่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เพียงตัวเดียวก็ไม่สามารถจะทำได้ถึงแม้จะใช้การสะกดจิตให้ผู้ถูกสะกดไปฆ่าหรือไปทำร้ายบุคคลผู้ใดไ ด, ได้ทางที่จะทราบว่าใครเป็นผู้ใช้เป็นผู้สะกดนั้นง่ายมาก เพียงแต่เอานักสะกดอีกคนหนึ่งมาสะกดแล้วถามเข้าก็บอกอย่างชัดเจนคำบอกเล่าอย่างนี้แม้ศาลจะไม่รับฟังสำหรับจะลงโทษผู้สะกดทางวิชาการทางสะกดจิตก็ยังเชื่อว่าเป็นความจริงและผู้ถูกสะกดที่ทำอย่างนั้นอาจจะต้องรับการแก้แค้นหรือเสียชื่อเสียงหรือถูกประชาทันอย่างรุนแรงได้เห็นจะเป็นด้วยเหตุอย่างที่กล่าวมานี้เรื่องใช้วิชาสะกดจิตในทางผู้ถูกสะกดประกอบอาชญากรรมอย่างหนึ่งอย่างใด จึงเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีข้อควรสังเกตอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องสะกดจิตนั้นคืออาจจะเข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งต่างภาษาได้แต่ไม่สามารถจะทำให้ผู้ถูกสะกดพูดภาษาที่ตนไม่รู้ได้ยกตัวอย่างเช่นนักสะกดชาวอังกฤษสามารถจะสะกดและออกคำสั่งแก่ผู้ถูกสะกดที่เป็นคนฝรั่งเศสและไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยให้ทาอะไรตามความต้องการของผู้สะกดได้โดยผู้สะกดใช้ภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถทําให้ผู้ถูกสะกดซึ่งไม่รู้ภาษาอังกฤษนั้นพูดภาษาอังกฤษได้เรื่องนี้เราเข้าใจได้ง่ายคือเรื่องสะกดจิตนั้นเป็นเรื่องจุงจิตและการจุงจิตนั้นสามารถจะทําได้โดยไม่ต้องรู้ภาษากันดวงจิตต่อดวงจิตไม่ต้องการพูดภาษา ในเมื่อดวงจิตสามารถจะติดต่อกันได้ดวงจิตหนึ่งมีความประสงค์อย่างไรอีกดวงจิตหนึ่งย่อมทราบความประสงค์โดยไม่ต้องรู้ภาษากันในเวลาที่สะกดจิตนั้นคำพูดที่ผู้สะกดบอกให้ผู้ถูกสะกดทำอย่างนั้นอย่างนี้คำพูดเหล่านั้นเป็นแต่เครื่องประกอบเท่านั้นความสำคัญที่ดวงจิตของผู้สะกดซึ่งจะส่งกระแสเข้าไปยังดวงจิตของผู้ถูกสะกดซึ่งอาจจะไม่ต้องใช้คาพูดเลยก็ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้สะกดจึงสามารถจะสั่งให้ผู้ถูกสะกดแม้ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษากันทำอะไรได้ตามความประสงค์แต่ไม่ถึงกับจะสามารถทำให้ผู้ถูกสะกดพูดออกมาเป็นภาษาที่ตนไม่รู้จักได้การสะกดจิตจากทางไกลเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสะกดจิตคือการสะกดจิตจากที่ไกลซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า hypnotic a distance หมายความว่าผู้สะกดกับผู้ถูกสะกดอยู่ห่างไกลกันเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งได้มีการค้นคว้าทดลองทํากันเป็นอันมากการทดลองในชั้นแรกๆมักจะไม่ค่อยเชื่อกันคือสงสัยว่าจะมีการหลอกลวงหรือรู้กันในระหว่างผู้สะกดและผู้ถูกสะกด แต่พวกที่รักการค้นคว้าหาความจริงในเรื่องนี้ก็ได้ทำความพยายามที่จะเอาความจริงให้ได้มีแพทย์ผู้เป็นนักสกดจิตสามคนได้ร่วมมือกันทำการค้นคว้าทดลองในเรื่องนี้โดยต่างคนต่างหาทางป้องกันมีให้มีการโคดโกงหลอกลวงกันและตั้งใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะเอาความจริงให้ได้นายแพทย์ทั้งสามนี้แม้จะมีความปรารถนาตรงกันที่จะสอบสวนค้นคว้าความจริงในเรื่องนี้ก็ยังทาการระมัดระวังกันเอง เพื่อให้เชื่อใจตัวเองทั้งสามคนเช่นผู้ถูกสะกดนั้นก็เลือกไว้หลายคนแล้วก็จับฉลากให้สะกดในทันทีทันใดว่าจะสะกดคนไหนแม้แต่เวลาที่จะสะกดก็เขียนฉลากไว้หลา ย, ลายเวลาแล้วก็จับฉลากกันว่าจะใช้เวลาไหนคอยกันอยู่จนถึงเวลานั้นจึงให้คนหนึ่งทำการสะกดแล้วอีกคนหนึ่งไปคอยดูนายแพทย์ทั้ง3นี้ได้ทาการทดลองหกครั้งและได้ผลดังต่อไปนี้ครั้งที่หนึ่ง ให้ทำการสะกดหญิงคนหนึ่งโดยไม่บอกให้รู้ตัวก่อนหญิงคนนั้นอยู่บ้านห่างจากบ้านของผู้สะกดกว่าหนึ่งกิโลเมตรเวลาที่สะกดนั้นเป็นเวลาที่คาดหมายว่าหญิงคนนั้นจะอยู่ในครัวและผู้สะกดจึงตกลงกันว่าจะต้องสะกดให้หญิงคนนั้นออกจากครัวแล้วมานั่งหลับในห้องนั่งเล่นที่บ้านของเขา เมื่อได้ลงมือสะกดแล้วนายแพทย์อีกสองคนก็ไปดูหญิงคนนั้นที่บ้านปรากฏว่าหญิงคนนั้นยังอยู่ในครัวนั่นเองจึงเข้าใจกันว่าการสะกดนั้นเป็นการล้มเหลวแต่ภายหลังก็มาได้ความจากคนใช้ของหญิงคนนั้นว่าในเวลา17นาฬกานาทีวงเล็บเปิดซึ่งเป็นเวลาที่ทำการสะกดวงเล็บปิดหญิงคนนั้นเดินออกจากครัวจะมาที่ห้องนั่งเล่นแต่เป็นด้วยเหตุอะไรไม่ทราบได้กลับมาอยู่ในครัวใหม่ และอีกสักพักใหญ่ๆจึงเดินมาห้องนั่งเล่นแล้วก็หลับคำนวณตามเวลาและตามคำบอกเล่าของหญิงคนใช้พออนุมานได้ว่าเวลาที่นายแพทย์ทั้งสองไปดูที่บ้านนั้นคือเวลาที่สตรีผู้นั้นเดินออกจากครัวจะมาห้องนั่งแต่แล้วก็กลับเข้าไปในครัวใหม่ซึ่งทำให้ในายแพทย์ทั้งสองที่มาดูเข้าใจว่าเป็นการล้มเหลวแต่ความจริงการสะกดนั้นก็ได้ผลแต่ได้ผลช้าผิดเวลามาก ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดครั้งที่สองได้ทดลองสะกดอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีอย่างเดียวกับครั้งที่หนึ่งในแพทย์คนหนึ่งสะกดจากสำนักงานร้านขายยาของตนและบ้านของผู้ถูกสะกดก็อยู่ระยะราวหนึ่งกิโลเมตรเหมือนกันการสะกดครั้งนี้ก็ได้ผลช้าอย่างเดียวกันโดยที่ปรากฏว่าหญิงผู้ถูกสะกดนั้นมีอาการร้อนรนกระสับกระส่ายเอาน้ำล้างหน้าล้างมือซึ่งทําให้ผลของการสะกดเสื่อมไป แต่ในที่สุดก็สะกดได้โดยที่สตรีคนนั้นก็เข้าไปนั่งหลับในห้องนั่งเล่นแต่ต้องใช้เวลาถึง25นาทีกว่าจะสะกดได้เป็นผลสำเร็จครั้งที่3ได้ทำการสะกดหญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในระยะไกลถึง2กิโลเมตรและอยู่คนละถนนต้องใช้เวลาค่อนข้างดึกเพื่อให้ถนนว่างไม่มีรถสับสนไปมาทั้งนี้เพราะได้ตกลงกันว่าจะต้องสะกดให้ผู้ถูกสะกด เดินจากบ้านของเขามาอย่างบ้านของนายแพทย์ผู้สะกดและคราวนี้ต้องใช้คนถึงสี่คนไปคอยสังเกตการและคนทั้งสี่นั้นก็เป็นแพทย์ที่มีผู้รู้จักมักคุ้นในแถวถิ่นนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้ใครมารบกวนขัดขวางในการที่ผู้ถูกสะกดจิตเดินมาอย่างบ้านของนายแพทย์ผู้สะกดนั้นซึ่งเป็นหมู่บ้านในหัวเมืองและเมื่อเลยเวลา20นาฬิกาไปแล้วก็เกือบจะเงียบเชียบ ไม่มีรถหรือคนเดินไปมามากและบ้านที่อยู่นั้นก็เป็นบ้านอย่างบ้านนอกคือไม่ใช่ตึกแถวสูงแต่เป็นบ้านส่วนตัวมีรั้วกั้นอยู่คนละส่วนไปลงมือสะกดเวลา20นาฬิกา55นาทีซึ่งนับว่าค่อนข้างดึกสำหรับตำบล น, นั้นต้องใช้เวลาถึง27นาทีคือในเวลา20นาิกา22นาทีได้เห็นสตรีผู้ถูกสะกดเดินลงมาจากบ้านผ่านสวนในบ้าน จะออกประตูใหญ่แต่ก็กลับเข้าไปอีก3นาทีภายหลังเดินกลับออกมาใหม่เดินวนเวียนไปมาในตาหลับผ่านผู้ที่คอยสังเกตการอยู่ใกล้ๆก็ไม่แลเห็นแต่เดินหลีกเสาโคมได้โดยไม่โดนเสาโคมหรืออะไรที่ขวางอยู่ข้างหน้าเดินข้ามถนนข้ามไปมาหลายครั้งและเดินอยู่จนกระทั่งถึงเวลา2ีอนาิกานาทีจึงมาถึงบ้านในแพทย์ผู้สกุ นายแพทย์ผู้นั้นได้ยืนคอยอยู่ที่ประตูบ้านแต่ผู้ถูกสะกดก็แลไม่เห็นเดินเข้าบ้านมาเฉยๆแล้วก็ไปนั่งในห้องรับแขกจากปากคำของคนใช้ในบ้านหญิงผู้ถูกสะกดนั้นได้ความว่าหญิงผู้นั้นได้มีอาการง่วงและนั่งหลับตั้งแต่เวลา 21.15 เอนาิกานาทีนั่งหลับอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ลุกขึ้นเดินหญิงคนใช้ก็รู้ว่าคงจะถูกสะกดจึงเดินตามออกมาเมื่อแลเห็นนายแพทย์เหล่านั้นก็แน่ใจว่าเป็นการทดลอง จึงไม่ต้องห่วงใยอีกต่อไปจากถ้อยคาของหญิงคนใช้นี้แสดงว่าการสะกดในทางไกลอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอสะกดผู้ถูกสะกดก็จะทำอะไรตามที่ต้องการสั่งในทันทีทันใดผู้ถูกสะกดต้องหลับเสียก่อนแล้วจึงจะทำต่อไปการคำนวณเวลาที่นายแพทย์ผู้สังเกตการคำนวณ ว, ว่าต้องใช้เวลาถึง27นาทีนั้นความจริงใช้เวลาเพียงราวยี่นาทีก็ได้ผลคาชี้แจงของนายแพทย์ผู้สะกดเองบอกว่า ในระหว่างเวลา25นาทีคือจากเวลา20นาฬิ55นาทีถึง21นาิกา20นาทีเขาได้เพ่งสะกดด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิอย่างแรงกล้าและส่งกระแสจิตสั่งบังคับให้สตรีผู้นั้นเดินทางมาหาเขาเขาไม่รู้ว่าได้ผลอย่างไรแก่การที่ตั้งใจบังคับ และทำสมาธิอยู่ตั้ง25นาทีนั้นทําให้เขารู้สึกเหนื่อยจึงได้หยุดพักอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตั้งใจเพ่งบังคับใหม่คํานวณตามเวลาที่นายแพทย์ผู้สะกดบอกนี้ทําให้เข้าใจได้ว่าเวลาที่สตรีผู้นั้นถอยกลับหรือเดินวนเวียนไปมาข้ามถนนตั้งหลายหนนั้นคงจะเป็นเวลาที่นายแพทย์ผู้สะกดหยุดพักนั่นเองเลยทําให้ได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่า การสะกดให้ทำอะไรในระยะไกลนั้นจะต้องเพ่งสมาธิเรื่อยไปจนกว่าจะแน่ใจว่าได้ทำครบถ้วนตามที่ต้องการไม่ใช่ว่าสะกดแล้วสั่งคราวเดียวก็ได้ผลครั้งที่สี่ตกลงกันว่าจะสะกดโดยไม่ให้ผู้ถูกสะกดนั้นหลับตาแต่จะให้ลืมตาและเปิดหนังสือบางเล่มในห้องที่บ้านของผู้ถูกสะกดเองออกดู การสะกดครั้งนี้ได้ผลเกือบจะถูกท่วนตามความต้องการคือผู้ถูกสะกดลืมตาอยู่แต่ในตานั้นไม่เคลื่อนไหวเป็นดวงตาที่แน่วแน่อยู่กับที่มีท่าทางกระวนกระวายเดินไปเดินมาแล้วในที่สุดก็ไปหยิบอัลบั้มที่ปิดรูปถ่ายไว้เอาอัลบั้มนั้นไปนั่งเปิดดูที่เก้าอี้ตัวหนึ่งในห้องนั่งของผู้ถูกสะกดนั่นเองครั้งที่ห้าได้ทดลองสะกดอีกคนหนึ่งในขณะที่กำลังนั่งเย็บผ้า ผู้ถูกสะกดในตาหลับอย่างเรียบร้อยแต่ยังเย็บผ้าไม่หยุดวงเล็บเปิดเย็บด้วยมือไม่ใช่เย็บจักวงเล็บปิดและยังเย็บได้ถูกต้องด้วยครั้งที่6กทำอย่างเดียวกับครั้งที่หผู้ถูกสะกดคนเดียวกันสะกดในเวลาที่กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่เหมือนกันผู้ถูกสะกดในตาหลับและหยุดเย็บแต่ก็พูดโต้ตอบตามที่นายแพทย์ผู้สะกดถามอยู่ในระยะไกลก า, ารทดลองต่างๆดั ง, งกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า การสะกดในระยะไกลนั้นทำได้สำเร็จผู้เขียนตำราที่นำมากล่าวนี้ยืนยันว่าสำเร็จได้หนึ่งร้อเปอร์เซนตลอดถึงให้ตอบคำถามอะไรก็ได้แต่ไม่ปรากฏว่าทำได้ในระยะไกลเกินสามกิโลเมตรการสะกดคนทั้งหมู่มีความเข้าใจกันว่า พวกนักเล่นกลถ้าไม่ใช้ด้วยอุบายซ่อนเร้นอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วสิ่งแปลกประหลาดหน้าพิศวงค์ที่ทําให้คนทั้งหลายนั้นอาจเป็นด้วยความสามารถที่จะสะกดคนหมู่ใหญ่ทั้งหมู่ให้เห็นตามที่ตัวต้องการได้แต่ในเรื่องนี้นักสะกดจิตได้ทําความพยายามทดลองหลายครั้งหลายหนไม่ปรากฏเป็นที่เชื่อถือได้ผู้เขียนตําราที่นํามากล่าวนี้ได้กล่าวถึงโยคีในอินเดียว่าสามารถจะสะกดจิตคนทั้งหมู่ให้แลเห็นอะไรได้ตามความต้องการ แต่ก็ไม่ยืนยันและนำมาอธิบายให้ชัดแจ้งอย่างไรก็ดีผู้แต่งไม่ได้กล่าวลบล้างเรื่องนิยายต่างๆหรือความเชื่อของคนที่มีอยู่ในเรื่องนี้เช่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกองทัพอังกฤษต้องถอยอย่างพ่ายแพ้ครั้งหนึ่งมีภาพที่ทหารเป็นอันมากยืนยันกันว่าแลเห็นคือเห็นเทวดาทางคริสศาสนาองค์หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเซนยอเหาะอยู่เหนืออากาศ คอยคุ้มครองป้องกันทหารที่กำลังล่าถอยเป็นเรื่องที่เล่าลือกันมากทหารเป็นจำนวนหลายร้อยคนบอกว่าได้เห็นสักถามกันอย่างไรก็ยืนยันว่าได้เห็นกันจริงๆจะปรับว่าเป็นเท็จก็ไม่ได้จึงอธิบายกันว่าอาจเป็นแต่เพียงเรื่องจุงจิตคืออาจจะมีคนคนหนึ่งมองเห็นภาพอะไรเข้ากาลังกลัวกำลังตกใจเพราะกาลังถอยหนีด้วยความพ่ายแพ้อาจจะเห็นเป็นภาพเซนจอด ซึ่งเป็นเท พ, พเจ้าอยู่ในความหวังว่าจะมาช่วยเหลือคนคนนั้นอาจจะเห็นด้วยอุปท า, านหรือด้วยอะไรก็ตามทีอาจจะจุงจิตคนอื่นๆให้เห็นไปด้วยและจูงกันไปได้มากๆหนทางที่จะอธิบายได้มีอยู่เพียงเท่านี้รวมความว่าในเรื่องสกดจิตคนทั้งหมู่ใหญ่นั้นตามตำราที่ฝรั่งเขียนอย่างวิทยาการหรืออาจจะเชื่อถือได้นั้นยังไม่ให้คาอธิบายหรือพิสูจน์อันใดอย่างเป็นที่พอใจ การสะกดจิตกับการรักษาโรควัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ของการสะกดจิตดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอยู่ที่การรักษาโรคบางชนิดซึ่งอาจจะรักษาได้ด้วยการจุงจิตเพิ่มกําลังใจเพิ่มกําลังต่อต้านในร่างกายในแพทย์ผู้สนใจในเรื่องสะกดจิตก็ได้พยายามค้นคว้าเพื่อให้ประโยชน์ของการสะกดจิตไปในทางนี้แต่ทุกคนก็ลงความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าถึงแม้จะเชื่อว่าการสะกดจิตจะเป็นประโยชน์ ในทางช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แน่นอนก็ดีแต่ยังไม่สามารถจะใช้วิธีนี้รักษาโรคได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายในร่างกายอย่างรุนแรง mm. ก็จําเป็นต้องให้การรักษาด้วยแพทย์ทายศาสตร์ตามธรรมดาเพราะฉะนั้นแพทย์นักสะกดจิตทุกคนเมื่อมีผู้มาบอกเล่าอาการและแสดงความสมัครใจที่จะรักษาโรคด้วยวิธีสะกดจิตย่อมจะต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน ให้แน่ใจว่าโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังมีอยู่นั้นไม่ได้เกิดจากความเสื่อมโทรมเสียหายของร่างกายภายในอย่างร้ายแรงถ้าเป็นเรื่องเสื่อมโทรมเสียหายทางร่างกายภายในอย่างร้ายแรงแล้วเรื่องสะกดจิตเป็นแต่เครื่องช่วยเครื่องส่งเสริมเท่านั้นการรักษาอย่างแท้จริงจะต้องรักษาด้วยวิชาการแพทย์ตามธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บที่เชื่อได้ว่าสามารถจะรักษาให้หายด้วยวิธีสะกดจิตนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสาท เช่นความกลัวโดยไม่มีเหตุผลการปวดศีรษะเนืองนิดโดยไม่ปรากฏว่าเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมเสียหายในร่างกายอย่างใดโรครู ม, มาติดโรคนอนไม่หลับโรคใจฟุง้งซ่านไม่สามารถจะทาใจให้เป็นสมาธิโรคลืมง่ายทำอะไรไม่ได้โรคเหล่านี้และโรคอื่นๆในทํานองเดียวกันสามารถจะรักษาได้โดยวิธีสะกดจิตอย่างที่ได้ทดลองกันมาแล้วเป็นอันมากรายที่หนึ่ง สตรีผู้หนึ่งปกติกลัวนกตายจะว่ากลัวหรือเกลียดก็ไม่แน่นักแต่ไม่สามารถจะเห็นนกตายได้คำว่านกในที่นี้หมายถึงเป็ดและไก่ด้วยสตรีผู้นี้ถ้าจำเป็นจะต้องเดินผ่านหน้าร้านขายเป็ดไก่หรือนกที่ตายแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างห่างไกลไม่สามารถจะรับประทานเนื้อนกหรือเป็ดไก่ยิ่งกว่านั้นไม่สามารถจะไปเดินเล่นในสวนหรือในป่าเพราะกลัวจะไปพบนกหล่นลงมาตาย ความกลัวนกตายอย่างที่กล่าวมานี้ทำให้สตรีผู้นี้สะดุ้งหวาดอยู่เป็นเนืองนิดแม้จะเข้าใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้กลัวนกจะหล่นมาสมุติฐานเรื่องโรคอันนี้สอบถามได้ความว่าเนื่องจากเมื่อยังเป็นเด็กได้ไปกับผู้ใหญ่ที่ชอบยิงนกและเมื่อยิงนกได้ก็ให้สตรีผู้นี้หิ้วนกที่ถูกยิงนั้นมาเธอได้พิจารณาเห็นนกนั้นมีเลือดเปื้อนตามขนตามปีบางตัวยังไม่ตายทันที ตกลงมาดิ้นอย่างทนทุกขเวทนาภาพที่เห็นตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี้ทำให้เกิดความกลัวนกตายซึ่งให้ผลไม่ดีหลายอยา่างดังกล่าวมาแล้วข้างต้นข้าพเจ้าผู้แต่งหนังสือเล่มนี้มีโรคอันหนึ่งอย่างเดียวกับสตรีผู้นี้คือไม่สามารถจะรับประทานเนื้อกระต่ายไม่สามารถจะจับต้องตัวกระต่ายหรือแม้แต่จะทนดูกระต่ายอยู่เป็นเวลานานๆก็ไม่ได้สมุติฐานคล้ายคลึงกันคือเมื่อข้าพเจ้ามีอายุราวสิบขวบ เลี้ยงกระต่ายไวและรักมากครั้งหนึ่งกระต่ายออกไปจากกรงถูกสุนักกัดกระต่ายนั้นดิ้นอยู่เป็นเวลานานจึงถึงแก่ความตายต่อหน้าข้าพเจ้าตั้งแต่นั้นมาก็เกือบไม่สามารถจะเข้าใกล้กระต่ายภาพที่ได้เห็นไม่ได้ทำให้เกลียดชังกระต่ายแต่ทำให้รู้สึกสงสารและสลดใจอยู่เนืองนิดใครจะเอาเนื้อกระต่ายมาปรุงอาหารอย่างไรให้รับประทานก็ไม่สามารถจะรับประทานได้แม้แต่เห็นตัวกระต่ายก็ไม่อยากเห็น ถ้าเห็นเข้าความเศร้าสลดใจก็มีขึ้นทันทีเกือบจะกลายเป็นความกลัวกระต่ายตายอย่างเดียวกับสตรีผู้นั้นกลัวนกตายในอิริก ค, คุดดอนผู้แต่งหนังสือที่ข้าพเจ้านํามาเรียบเรียงนี้ยืนยันว่าตัวเองรักษาโรคกลัวนกตายของสตรีผู้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหายด้วยวิธีสะกดจิตวิธีการที่ใช้ในเรื่องนี้คือก่อนทําการสะกดจิตได้ไปหานกตายมาตัวหนึ่งโดยไม่ถอนขน ห่อกระดาษอย่างเรียบร้อยเอาซ่อนไว้ภายหลังที่สะกดจิตแล้วก็พูดเป็นทางจุงจิตว่าการที่เธอกลัวนกตายได้ทำลายความสุขในชีวิตของเธอลงเป็นอันมากมูลเหตุที่ทาให้เธอกลัวนกตายนั้นก็ล่วงเลยมาช้านานแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวนกไม่ใช่สัตว์ที่มนุษย์ต้องกลัวแต่นกเป็นเครื่องให้ความผาสุกแก่มนุษย์พูดจุงจิตไปอย่างนี้ในระหว่างเวลาที่สตรีผู้นั้นถูกสะกดแล้วก็เอาหอนกตายนั้นส่งให้ บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านไม่กลัวนกตายแล้วหอนั้นเป็นหอนกตายท่านอาจจะเปิดหอนั้นดูได้สตรีผู้นั้นเปิดหอนกดูขณะที่อยู่ในระหว่างสะกดจิตผู้สะกดบอกต่อไปว่าให้ลองเอามือลูบครลำนกนั้นดูสตรีผู้นั้นเอามือลูบด้วยท่าทางอย่างไม่เต็มใจผู้สะกดพูดต่อไปว่าท่านเห็นหรือไม่ว่านั่นเป็นนกตายพอพูดมาถึงเพียงนี้สตรีผู้นั้นก็สะดุง้งแขนและมือแข็งไปหมด ผู้สะกดต้องพูดต่อไปว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเรื่องที่ทําให้ท่านกลัวนกตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วถ้าท่านไม่กลัวนกตายชีวิตของท่านจะผาสุกเป็นอันมากแน่นอนทีเดียวเดี๋ยวนี้ท่านไม่กลัวนกตายแล้วลองลูบดูต่อไปสตรีผู้นั้นก็ลูบต่อไปได้ผู้สะกดได้บอกต่อไปว่าเมื่อใครสะกดตื่นขึ้นแล้วเพื่อนของเธอจะส่งหอให้หอหนึ่งและหอนั้นเป็นหอนกตาย เธอจะแก้หอนั้นออกดูแต่อาจจะไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะเวลานี้เธอหายกลัวนกตายแล้วพูดจุงจิตอย่างนี้จนเป็นที่แน่ใจจึงคลายสะกดเมื่อคลายสะกดออกแล้วก็เอาหอนกนั้นส่งให้สตรีผู้นั้นก็แก้ออกดูเห็นเป็นนกตายก็ไม่มีความกลัวอย่างหนึ่งอย่างใดต่อมาอีกหลายเดือนภายหลังผู้สะกดได้พบสตรีผู้นั้นซึ่งเธอบอกว่าผลของการสะกดนั้น ทำให้เธอหายกลัวนกตายได้เดือนหนึ่งเต็มๆแต่ภายหลังความกลัวนั้นก็กลับขึ้นมาอีกบ้างแต่ไม่ยอมสะกดอีกเรื่องก็หมดอยู่แต่เพียงเท่านี้ซึ่งผู้เขียนตำราเรื่องนี้เชื่อใจว่าถ้าได้มีการสะกดอีกสักสถึงสครั้งก็หายขาดทีเดียวรายที่สองสตรีผู้หนึ่งเป็นโรคเกลียดกลัวแมวถึงกับไม่กล้าเดินบนบาดวิถีเพราะกลัวแมวจะวิ่งออกมาจากบ้านหรือห้องใดห้องหนึ่งและพบแมวเข้า ผู้เขียนหนังสือเรื่องที่นำมากล่าวนี้เองได้ทำการสะกดใช้วิธีอย่างเดียวกับที่สะกดหญิงที่กลัวนกตายนั้นแต่ได้เพิ่มวิธีใหม่คือเมื่อใครสะกดออกแล้วก็แนะนำแก่สตรีผู้นั้นว่าทุกคืนก่อนจะนอนหลับให้จูงจิตตัวเองว่าแมวไม่ใช่สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัวแมวจะไม่ทำอันตรายหรือนำความโศกโครกอะไรมาให้ต่อไปนี้จะไม่เกลียดกลัวแมวอีกต่อไปสตรีผู้นี้ได้ปฏิบัติตามคือทำการจุงจิตตัวเอง อยู่จนกระทั่งความกลิดกลัวแมวนั้นหมดสิ้นไปและโรคอันนี้ไม่กลับมาอีกเลยรายที่สชายคนหนึ่งเป็นโรคชนิดที่เรียกว่าแอกราโฟเบียคือกลัวห้องกว้างกลัวที่กว้างทุกชนิดไม่สามารถจะไปดูละครหรือภาพยนตร์หรือดูอะไรในห้องที่กว้างได้อยู่ได้แต่ในห้องแคบๆ เ, เล็กๆ ออกสู่ที่กว้างเมื่อใดก็สั่นกลัวจนทำลายความสุขความรื่นเริงในส่วนตัวเสียหมดสิน้นเพราะไม่สามารถจะไปในงานสโมสรหรืองานมหรสพดูภาพยนตร์ดูละครอย่างหนึ่งอย่างใดโรคของคนผู้นี้มีสมุดฐานอยู่ว่าครั้งหนึ่งคนผู้นี้อยู่ในประเทศอินเดียอยู่ในห้องกว้างใหญ่ที่มีคนอยู่เป็นอันมาก เพราะเอินเกิดแผ่นดินไหวและคนจำนวนมากที่อยู่ในห้องกว้างใหญ่นั้นก็ตกใจชุลมุนวุ่นวายเสียงร้องและการวิ่งวุ่นเป็นความโกลาหลอย่างน่ากลัวภาพอันนั้นทำให้คนผู้นั้นเกิดความกลัวห้องกว้างกลายเป็นความกลัวที่กว้างทุกชนิดเห็นคนหมู่มากๆเข้าไม่ได้ผู้เขียนตําราที่ทำมาบรรยายนี้เองเป็นผู้สะกดเมื่อสะกดแล้วก็ใช้วิธีจุงจิตให้เลิกกลัวห้องกว้างห้องกว้างหรือที่กว้าง จะไม่ทำอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องแผ่นดินไหวอย่างที่ทำให้คนผู้นั้นกลัวนั้นไม่ใช่ของที่มีขึ้นบ่อยๆและถ้าหากว่ามีขึ้นแล้วห้องกว้างหรือห้องแคบก็ให้ผลอย่างเดียวกันอันที่จริงห้องกว้างยังจะปลอดภัยมากกว่าห้องแคบเสียอีกภายหลังได้คลายสะกดแล้วผู้สะกดเองได้พาบุคคลผู้นั้นเข้าไปในอินเนอร์เต็มเป็นอโดยที่บุคคลผู้นั้นไม่มีความกลัวอย่างใดเลย ผู้สะกดไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าโรคกลัวห้องกว้างของบุคคลผู้นี้หายขาดหรือไม่เพราะภายหลังที่ทำการสะกดครั้งเดียวบุคคลผู้นี้ก็เดินทางกลับไปอินเดียมีอีกหลายครั้งซึ่งผู้แต่งตำราที่นำมากล่าวนี้ได้ทำการสะกดเพื่อแก้โรคนอนไม่หลับและได้ผลอย่างดีเวลาที่แพทย์ผู้นี้เดินทางไกลในเรือเดินทะเลขณะที่มีคลื่น ก็ได้ทดลองสะกดคนที่เมาคลื่นมากๆสะกดเพียงครั้งเดียวบุคคลผู้นั้นก็ไม่เมาอีกต่อไปเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษเช่นคนติดสุรายอย่างมากหรือติดฟินซึ่งได้ไปจากอินเดียหรือติดมอร์ฟีนซึ่งเกิดจากการที่มีอาการเจ็บป่วยอะไรขึ้นแพทย์ฉีดมอร์ฟีนให้มากเกินไปจนกระทั่งติดแล้วก็ต้องขอฉีดเสมอถ้าไม่ได้ฉีดก็จับไข้ไม่สบายอย่างเดียวกับโรคติดฟิน โรคอย่างนี้เป็นที่เชื่อได้ว่าสามารถจะรักษาให้หายด้วยวิธีการสะกดจิตท่านผู้นี้ยืนยันต่อไปว่าการสะกดจิตสามารถจะดัดนิสัยที่พึงใจในลักษณะชั่วร้ายให้หายได้เพราะการสะกดจิตสามารถจะทําให้คนชอบหรือเกลียดชังอะไรก็ได้แม้แต่การติดบุหรี่ยังสามารถจะขจัดได้โรคอบายามุกทุกอย่างเช่นสุรายาเมาการพนันสามารถจะทําให้เกลียดได้ นิสัยที่ไม่ดีบางประการเช่นนิสัยเกียจคร้านฉุนเฉียวโกรธง่ายใจน้อยเหล่านี้สามารถจะแก้ได้ด้วยวิธีสะกดจิตรวมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประสาทและความรู้สึกนั้นวิชาสะกดจิตสามารถจะบันดาลผลดีให้ได้อย่างเป็นที่แน่ใจข้อความที่ใช้เนื้อที่ในหนังสือนี้ถึงสองบทเกี่ยวกับเรื่องสะกดจิตนั้นท่านผู้อ่านจะได้เห็นได้ชัดว่าเรื่องสะกดจิตไม่มีอย่างอื่นอันที่จริง เป็นแต่เพียงผลของการจูงใจคำว่าอุปาทานในทางพระพุทธศาสนาของเราเป็นเรื่องที่เอาไปใช้ในทางสะกดจิตเราเข้าใจเรื่องอุปาทานในทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่คิดไปเองเป็นไปเองหรือว่าคิดอย่างใดได้อย่างนั้นซึ่งตามปกติเราเข้าใจกันว่าเป็นไปในทางผิดทางไม่ดีพวกนักสะกดจิตเอาอุปาทานนี้เอง ไปใช้ในทางที่ดีกล่าวคือมาพิจารณาเห็นว่าเมื่ออุปทานมีผลในทางร้ายเช่นเดินไปสะดุดอะไรเข้าเข้าใจว่างูกัดเกิดอาการปวดร้าวเหมือนพิษงูเช่นนี้แต่ชะไหนเราจึงไม่อุปทานในทางที่ดีคือกลับกันเสียเดินไปถูกงูกัดจริงๆแล้วก็จูงจิตของตนคิดไปเสียว่าไปสะดุดอะไรเข้าโดยไม่ใช่งูและไม่มีพิษ ความคิดอย่างนี้อาจจะช่วยให้กำลังต่อสู้มีขึ้นแปลว่าใจของตัวเองที่ชักจูงไปในทางดีอาจมีคุณค่าได้ผลดีแก่ตัวเองมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตำราที่ยกมาเขียนกล่าวว่าถ้าผู้ที่มาให้สะกดสามารถจะทำความพยายามจุงจิตตนเองได้แล้วการสะกดจิตเพียงครั้งเดียวอาจจะได้ผลเรื่อยไปโดยไม่ต้องสะกดจิตอีก ผู้สะกดอาจจะบอกให้เขียนคำพูดสำหรับให้ผู้ถูกสะกดพูดจูงใจตัวเองในสมัยหลังๆนี้ใช้กันถึงกับเอาแผ่นเสียงมาอัดเสียงผู้สะกดไว้ถึงเวลาก็เปิดแผ่นเสียงนั้นเสียงที่ออกมาจากแผ่นสามารถจะให้ผลอย่างเสียงแพทย์ที่สะกดได้เหมือนกันแต่ในกรณีเช่นนี้ผู้ถูกสะกดจะต้องรู้จากการจุงจิตของตัวเองด้วยและให้เรายึดหลักสำคัญว่าดวงจิตที่ทำความดีให้แก่ตัวนั้น ไม่ใช่ดวงจิตของแพทย์ผู้สะกดแพทย์ผู้สะกดเป็นผู้ช่วยจูงใจเท่านั้นโดยหลักอันนี้จึงมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกล่าวไว้ในตำราที่นำมาเขียนนี้เหมือนกันว่าสตรีคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษฟันเสียอย่างร้ายแรงปวดฟันอยู่เป็นเนืองนิดทันตแพทย์ได้ให้การรักษาเป็นอย่างดีแล้วแต่อาการปวดฟันก็ยังมีอยู่เสมออันที่จริงเรื่องอาการปวดฟันนั้น แม้ทันตแพทย์ก็ไม่สามารถจะระงับให้หายลงไปได้ในทันทีทันใดสตรีผู้นี้จึงจะได้ทดลองในทางสะกดจิตแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของร่างกายโดยตรงวิชาสะกดจิตไม่สามารถจะรักษาโรคในฟันได้จะช่วยได้ก็แต่บรรเทาความเจ็บปวดความเจ็บปวดให้หายไปเพื่อให้แพทย์รักษาฟันได้ต่อไปเท่านั้นอย่างไรก็ดีเมื่อสตรีผู้นั้นได้รับการสะกดจิตไปแล้วความปวดฟัน ก็หายไปได้ในทันทีและหายไปได้เป็นเวลาหลายๆวันแต่อยู่มาครั้งหนึ่งสตรีผู้นั้นต้องเดินทางจากประเทศอังกฤษไปกรุงโรมด้วยธุรกิจส่วนตัวระหว่างที่อยู่ในกรุงโรมเกิดการปวดฟันอย่างแรงจึงได้โทรเลขถึงแพทย์สะกดจิตว่าให้ช่วยสะกดจิตทางไกลคือจากประเทศอังกฤษอันที่จริงการสะกดจิตจากทางไกลไม่สามารถจะทาได้ไกลถึงเพียงนั้นไม่เคยปรากฏว่า นักสะกดจิตคนใดสามารถจะสะกดได้ไกลถึงคนและประเทศแต่โดยเหตุที่เคยสะกดกันมาแล้วและสตรีผู้นั้นก็คอยรับการสะกดอยู่เธอจึงเชื่อว่าอาจจะสะกดถึงได้ภายหลังที่ส่งโทรเลขมาแล้วและรออยู่เป็นเวลาอันสมควรที่เข้าใจว่าโทรเลขนั้นจะถึงแพทย์และแพทย์จะทำการสะกดให้สตรีผู้นั้นได้รอรับการสะกดอาการปวดฟันก็ทุเลาลงไปเป็นอันมาก และไม่ปวดฟันอีกจนกระทั่งเดินทางกลับมาประเทศอังกฤษและเมื่อกลับมาประเทศอังกฤษแล้วจึงได้ทราบว่าโทรเลขที่ตนส่งมานั้นหาได้ถึงมือแพทย์ผู้สะกดไม่แพทย์สะกดจิตไม่ได้อยู่ที่บ้านของเขาในเวลานั้นและไม่ได้มีใครทําการสะกดให้เลยเป็นอันว่าโรคปวดฟันได้หายไปไม่ใช่ด้วยการสะกดแต่ด้วยความเชื่อว่าได้ถูกสะกดเรื่องก็มีอยู่เท่านี้เรื่องที่เล่ามานี้ก็จะเห็นได้ว่า ดวงจิตของตนเองได้ช่วยรักษาความเชื่อและความเข้าใจที่นายแพทย์ผู้เคยทําให้หายปวดฟันได้สะกดจิตให้ทําให้โรคปวดฟันหายได้ไปจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลเป็นเรื่องอุปทานนั่นเองแต่เป็นอุปทานในทางที่ดีเป็นอุปทานในทางที่สามารถขับไล่ความเจ็บปวดออกไปจากร่างกายได้เท่าที่เราได้ศึกษาพิจารณาเรื่องสะกดจิตกันมาแล้วอย่างค่อนข้างละเอียดนี้เราคงจะเห็นได้ว่า คำกล่าวขวัญถึงเรื่องสะกดจิต ท, ที่กล่าวกันโดยทั่วไปนั้นเป็นคำที่ใส่โทษวิชาการอันนี้มากเกินไปแท้จริงไม่ใช่ของที่เลวร้ายและไม่สามารถจะนำไปใช้ในทางที่เลวร้ายได้เป็นวิชาการในทางดีแต่เป็นธรรมดาอยู่เองดวงจิตของมนุษย์เป็นของไม่แน่นอนการรักษาด้วยดวงจิตและไม่สามารถจะทาให้ได้ผลศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งทุกคนไปเรื่องสะกดจิต จึงยังไม่ได้รับความยกย่องนับถืออย่างเป็นวิชาการอันแท้จริงเหมือนวิชาการบางอย่างที่สามารถจะพิสูจน์ให้เห็นได้เสมอแต่ถึงกระนั้นเรื่องสกดจิตก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้อยู่เป็นอันมากและสามารถจะอธิบายวิชาการทางอื่นรวมทั้งทางพระพุทธศาสนาดังที่เราได้เห็นมาแล้วข้างต้น